เราขออนุโมทนากันเราตั้งใจบำเธรรมกันถ้าจะพูดในเรื่องของปัญญาจริงๆว่าจะยกพระสูตรมากราวให้ทำความเข้าใจในเรื่องคำปัญญาดิที่นี้เราถึงเรื่องปัญญาสามอย่างคือปัญญาเนี่ยมีความหมายคือได้แก่ธรรมชาติที่เป็นความรู้ความเข้าใจที่สภาวะความยังรู้ความจริง แล้วจะเอาเรื่องปัญญามาขยายให้เราได้เกิดความเข้าใจสภาวธรรมที่เป็นปัญญาให้ชัดขึ้นเรื่องของปัญญาให้ดูลักษณะจตุกะของปัญญาจะได้เกิดขึ้นเยตให้เกิดปัญญาเป็นต้นด้วย น, นสภาพของปัญญาเนี่ย ปัญญานั้นมีลักษณะในการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดทีนี้การที่จะรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยก็ต้องดูสภาวะลักษณะของปัญญาเพื่ให้เกิดปัญญาเป็นต้นเลยก็มีตั้งแต่สุตมะยปัญญาภาวินตามยปัญญาภาวนามยปัญญา ทีนี้ปัญญานี่มีชื่อเรียกค่อนข้างเยอะบางครั้งเรียกว่าอโมหาเฮต์ก็ได้นะแต่ปัญญาเจตสิกชื่อว่าอโมฮาเหตุ์หมายถึงธทำที่ ท, ทําให้ผลธรรมเกิดขึ้นและเจริญขึ้นรวมทั้ง ท, ทําให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นในอารมณ์ที่ถูกต้องซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรม ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็กุศลธรรม ท, ท, ที่ตั้งมั่นและเจริญไปบุญจริงยริงกินปา ประการต่อมาพูดถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือปัญญีย์เหมือนกันชื่อว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงอะไรความเห็นชอบตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิเนี่ยจากเห็นชอบตามทํานองคองธรรมไปจนถึงสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคที่เป็นประธานในการประหานอนุสัย ก, กิเลสให้เด็ดขาดจะขันธสันดานเป็นทางไปสู่สุคติและนิทธานได้ด้วย ปัญญินีเหมือนกันที่เชื่อปัญญินีก็หมายถึงคุณธรรมที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในหน้าที่ของตนโดยไม่ก้าวกายหน้าที่ของธรรมะอื่นๆอันนี้เป็นสภาวธรรมที่แทงตลอดอนัญญาตัญญาสามีตินีอันนี้เป็นปัญญาในโสดาปฏิมาซึ่งเป็นสภาวธรรมที่รู้ปฏิพานธครั้งแรกโดยที่การไม่เคยรู้มาก่อน อัญญีย น, นี่เป็นปัญญาในมรรคเบื้องบนสามมีสกท า, าคามีมรรอนาคามรรคอรัตธรรมและผลเบื้องต่ำสามโสดาผลสกท า, าคาผลอนาคามีผลปัญญาตาวินีนี่เป็นปัญญาในอรัตผลซึ่งเป็นสภาวธรรมที่รู้พระนิพพานปัญญาภะนี่หมายถึงกําลังที่ไม่หวั่นไหวต่อธรรมที่เป็นปฏิปัติ คือวิชาความไม่รู้เป็นต้นออชื่อปัญญามีเยอะนะอะดูลักษณะของปัญญาเนะี่ยมาจะกว่ายถาภูตาปฏิเวทักคณ า, าก็คือมีการรู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยจะรู้สองส่วนนะรู้ธรรมะที่เป็นสมมุติสัจจาและก็แทงตลอดไปจนถึงปรมัตถสัจจา ตามความเป็นจริงฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยจึงรู้ทั้งสมมุติรู้ทั้งปรมัตจะไม่ล่มหลงทั้งสองส่วนวิสยภาสะนรสาวาธรรมานังปฏิฉาทกะโมหันทกะระวิทังวิทังสนะรษสาก็มีการทำอารมณ์ให้แจ่มแจ้งเป็นจิตก็คือกำจัดความมืด กิจของปัญญาก็คือกำจัดความมืดกำจัดโมหะกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ที่ปกปิดสภาวธรรมก็าจะมีหน้าที่อย่างนี้แล้วเขาเกิดขึ้นมาก็ทําลายความไม่รู้ทำลายความหลงสามโมหะปัจจุปถัณานาก็มีความไม่หลงเป็นอาการปรากฏ <c oughs> อะไรเป็นเหตุใกล้ของปัญญาโยนิโสเนมีโยนิสมในิการเป็นเหตุใกล้หรือมีวัยยวุต มีวัยที่สมบูรณ์ในปัญญาวัยไหนปัญญาทัศกาวัยปัญญาทัศกาวัยวัยของปัญญาก็อยู่ในวัยไหนดีตีทิศห้าทิศวัยปัญญาวัยนปัญญากำลังเจริญที่จริงก็ถ้าปัจจุบันก็ได้จะลดลงประมาณสักสามสิบเจ็ดประมาณสามเจดถึงสี่ิบเจ เป็นเหตุใกล้หรือมีความห่างจากกิเลสเป็นเหตุใกล้หรือมีติเหตุการปฏิสนธิเป็นเหตุใกล้หรือมีสมาธิเป็นเหตุใกลมม้มีทั้งหลายอย่างเนยโยนิสโสมริสิการก็เป็นเหตุใกล้เป็นปัญญาด้วยความเป็นผู้ฉลาดคิดทั้งเกี่ยวในเรื่องของอุปา ย, ย ม, มนรสิการคิดแบบมีอุบายคิดต้องให้สอดคล้องกันตามแนวของสัจจะสี่เวลาไปเรียนเป็นยังไ แล้วก็การณมนุิการคิดสามายเหตุเนี่ยปาถามมนุิการคิดไปตามทางอุปาทกามมนุษการเนี่ยเดียที่สมนสุษการเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ของปัญญาทั้งนั้นหรือบุคคลที่มีวัยวัยที่สมบูรณ์ต่อการที่จะให้ปัญญาเกิดที่เรียกปัญญาทักวัยจะ40ี่ถึงห้ิป็ต้นแล้วก็ยังมีความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส คนที่กิเลสพุ่มรมเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ยนะติเหตุกาปฏิสนธิก็เป็นเหตุใกล้ติเหตุกาปฏิสนธิคือความเป็นผู้เกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธและเกิดมาพร้อมด้วยความไม่หลงนี่แหละแต่ถ้าหากวิปัสสนาปัญญาก็เป็นสมาธิก็อยู่ในบทธรรมาว่าสมาธิพิกเวบาเวถาสมัโาโยยะถาภูตังปชานาติเนี่ย ดูก่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิจนปลกจิตให้ตั้งมั่นเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นบัรทัด ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ของปัญญาจะได้รู้ชัดตามความเป็นจริงนั้น ล, ลักษณะเหตุใกล้ของปัญญาก็มีหลายอย่างปัญญามีการส่องแสงเป็นลักษณะก็คือมีการรู้ทั่วรู้ชัดเหมือนบุคคลจุดประทีปในที่สว่างเป็นในที่กลางคืนที่มดืดเบืเดี๋ยวพอจุดประทีปสว่างปุ๊บขึ้นมาเนี่ย ในบ้านที่มีฝาสีด้านความมืดก็หายไปแสงสว่างปรากฏชั้นใดเวลาลักษณะของปัญญาเกิดขึ้นมาก็ทําลายความมืดในห้องที่มืดแล้วก็ทําให้แสงสว่างเกิดขึ้นเช่นนั้นมีปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยย่อมรู้ทั่วธรรมมะที่เป็นกุศลอกุศลก็ไปรู้ไปแทงตลอดธรรมะที่ควรเสพไม่ควรเสพธรรมะที่เลวประณีดําขาวเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้ ปัญญาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนแพทย์ผู้ฉลาดจะรู้เบีสัตว์ที่เป็นที่สปายะและไม่สปายะแก่ผู้ป่วยนะีฉะนั้นเธอปัญญาจะเป็นลักษณะแบบนี้นั้นตัวปัญญาจะไปแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นไม่ขึ้นก็ที่ยังก็ให้ดูว่าแยกแยะบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่แยกประโยชน์กุศลอกุศลได้ที่ยังอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรเลวประณีดดำขาวเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้เนี่ยแยกแยะได้ไหม ถ้าสามารถไปแยกแยะรายละเอียดได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าปัญญาเนี่ยทำกิจแล้วและอย่างหนึ่งปัญญายังมีการแทงตลอดสภาวะเป็นลักษณะนะเหมือนการแทงที่ไม่ผิดพลาดของลูกศรที่นายขมังกโนผู้ฉลาดเก่งกาจจริงๆที่ยิงขึ้นไปมันจะแทงสองส่วนนียแทงสภาวะลักษณะกับแทงสามัญแลักษณะปัญญาจะเข้าไปแทงสภาวะลักษณะเย็นลักษณะของธาตุดินเนี่ยก็จะสามารถไปแทงตลอด แทงตลอดลักษณะของาธาตุดินกิตของาธาตุดินอย่างนี้เป็นต้นห ร, ไไ ห, หรือสามารถไปแทงตลอดกิตนจแทงตลอดอาการปรากฏว่ เ, ออเหตุใกล้เป็นต้นเหล่านี้ยนะแล้วจนสามารถแทงตลอดสามัญยลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นต้นได้ด้วยที่ปัญญาเป็นการแทงตลอดลักษณะเป็นแบบนี้แหละเป็นการแทงที่ไม่ผิดพลาด เป็นอย่างนี้ปัญญาก็มีการส่องให้เห็นอารมณ์เป็นกิจด้วยส่องดุูแสงประทีบมีการไม่ลหลงไหลเป็นอาการปรากฏเหมือนอะไรเหมือนผู้ชี้ทางแก่บุคคลผู้เดินทางไปมาฉะนั้นบางครั้งท่านก็ประมาเหมือนกับมักคุเทศมักคุเทศเนี่ยที่ชํานาญในทางในป่า สามารถนำพาคนหลงทางในป่าให้ออกจากป่าได้ฉะนั้นเจ อ, อสภาพจิตที่มันหลงไหลในอารมณ์หลงไหลในเรื่องราวต่างๆหรือมันเดินไม่ได้เนะี่ยอั น, นั้นบอกบอกถึงสภาพจิตที่มันอันมันเดินไม่ได้เพราะมันมีปัญญาแต่พอมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตปุ๊บปัญญาก็จะนำพาจิตนั้นนะ่ะให้เดินได้อย่างคท่าเท่าเนาะสามารถชำนิชำนาญในการที่จะเดิน ให้สังเกตดูในวิากายกรรมที่เคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามีปัญญานํำไปแล้วเนี่ยกายกรรมโอ้ปลอดภัยเป็นกายยศสติริตรด้วยก็ดีแล้วไม่ใช่กฏีกรรมก็เหมือนกันที่มีการพูดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าปัญญานำเนี่ยเขาจะพูดจริงเขาจะพูดคําที่สมาร์สมาคีจะพูดคําอ่อนหวานจะพูดสิ่งที่เป็นไปกระเหตุและผลจะพูดคําที่เป็นประโยชน์ถูกการแล้วก็ พูดได้เมตตาบ้างพูดได้กรุณาแล้วพูดได้มุทิตามีปัญญานําในการพูดแม้การคิดนึกอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกทั้งหลายเหล่านี้ยถ้าปัญญามานํำจิตแล้วเนี่ยโอ้โหจิตจะคล่องแคล่วจิตจะชาญฉลาดก็จะทดลอทะลวงมองเห็นอะไรได้ชัดไม่ติดขัดไม่ตื้อตันนี่นะลักษณะของปัญญาเนี่ยก็จะแทงตลอดลักษณะอย่างไม่ผิดพลาดอย่างนี้เป็นไปในลักษณะนี้แล้วก็จะส่องให้เห็นอารมณ์ได้ชัดขึ้น ส่งเห็นรูปารมณ์ศัทธารมกันธารมล่าสารมโผฏฐารมและธรรมารมณสามารถส่องไปเห็นความจริงของอารมณ์นั้นๆได้ด้วยเช่นเวลามองสภาวะทั้งหลายมองสิ่งของทั้งหลายก็จะสามารถเข้าใจกระแสของชีวิตได้ชัดขึ้นมองก็เห็นตนตัวสมมุติบัญญัติมองเจาะไปเห็นกายกรรมพิจีกรรมมโนโกรรมของท่านพุทนั้ น, นมองเห็นกระแสชีวิตว่าท่านพุทธนี้กําลังทํากายทุจริตวิจีทุจริตมโนโทุจริต ตีเตียนปริยาเจ้าเบื้องหน้าเดดตายเพราะกายแตกเข้าถึงทุกขติโลกเข้าถึงทุกขติอบายทุกติวิบัติในโลกอย่างไงมองเห็นกายสุจริตวจีสุจริตมนโน ส, สุจริตไม่ตีเตียนปริยาเจ้าเบื้องหน้าเดเบื้องหน้าเดตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างไรสามารถจะมองเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ลุ่มหลงในสัตว์บุคคลนั้นนั้นมองเข้าไปในกระแสชีวิตก็สามารถเจะทะลุทะลวงได้รายละเอียดเยอะเลยทั้ง เจาะเขไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะเข้าไปส่องแสงสว่างมีการไม่ลหลงไหลเป็นอาการปรากฏเหมือนว่ากุเทศชํานาญมากที่จะพาคนหลงออกจากป่าได้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั่วธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งที่เป็นธรรมะที่ควรเสพไม่ควรเสพเร็วประณีตทั้งที่เข้ากันได้เข้ากันไม่ได้ เหมือนในแพทย์ผู้ชาญฉลาดรู้จักเพสัชทั้งที่ได้กล่าวแล้วรู้เภสัชที่สบายและไม่สบายของขนไครทั้งหลายนั้นสภาวะของปัญญาเมื่อว่าโดยอัถะก็ได้แก่สภาวะหรือสภาพที่ทําให้ปรากฏทําอะไรให้ปรากฏทําเนื้อความนั้นๆให้แจ่มแจ้งที่ไม่เข้าใจก็ทําให้เข้าใจขึ้นรู้ธรรมะทั้งหลายโดยปการอะไรต่างๆรู้ว่ามีสภาวะที่มันไม่เที่ยงยังไง สภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่เป็นอนัตตาเนี่ยสภาวะข้อปัญญาก็เป็นไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่โลกียะปัญญาจนถึงโลกุตรปัญญาเริ่มต้นจริงๆก็คือพูดถึงในเรื่องของกรรมสักตาปัญญาก็พัฒนาไปเรื่อยจนถึงโลกุตรปัญญานี่แหละหรือจากกรรมสักตาปัญญาหรือวิปัสนาปัญญาเนี่ยกรรมสักตาปัญญาก็คือปัญญาที่ไปฉลาดรอบรู้ในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม รอบรู้ในเรื่องเหตุรอบรู้ในเรื่องผลรอบรู้ในเรื่องของปฏิยาการเหี่ยวิชาสังขารตัญหาเป็นต้นอะไรเนี่ยอวิชาสังขารวิญญาณนารูปเป็นต้นอะไรเนี่ยนะแล้วก็สามารถไปเจาะทะลุดทะลวงให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจัดเป็นโลกยะปัญญาที่ปัญญาที่เกี่ยวกับการรู้โลกย่าลมรู้รูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพาพตามความเป็นจริงเป็นปัญญาเจรสิที่ประกอบการมาวาจรญาเนะสัมยุทธเป็นต้นด้วย ส่วนทโรกุตระปัญญาก็โปูปัญญาที่สามารถละราคโาโทสะโมหะปัญญาที่ประกอบในอริยมรรคดงนั้นสมองในลักษณะของการว่าปัญญาเนี่ยฐานะของปัญญาก็มี66กนะกรรมสักตาสัมมาทิฐิปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนในตรงนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะกรรมสักตากรรมสกาสตากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุ กรรมปฏิสารนาอันนี้ก็คือปัญญาทั้งนั้นแหละที่เขไปรู้รายละเอียดในเรื่องกรรมไปเดนโนสีเรื่องนึงเนี่ยเป็นกรรมสกตาปัญญาถ้ากรรมสกตาปัญญาเนี่ยในรายละเอียดนี่เยอะเลยเนี่ยนะในยกตัวอย่างสักนิดหน่อยจะได้เกิดความเข้าใจชัดขึ้นแสดงกรรมสกตาปัญญาเนียพอมองถึงในเรื่องของกรรมส ก, กาเนี่ยนะ ก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องกรมกรมกรรมสการปมคําว่าอั ต, ตาโนอิทันตังสกังทรัพย์นี้เป็นของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสกะกรรมมังเอวาสกังเอเตสันติกรรมมสกาสตากรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์ของตนของสัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากรร ม, มสกาสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นทรัพย์สมบัติของตนอธิบายไง อธบายว่าเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนทรัพย์สินต่างๆที่ตนสั่งสมขึ้นที่เนื่องด้วยตนไม่ได้เนื่องด้วยคนอื่นอันนี้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ของตนไหมถ้าตนเองแสวงหาทํางานอย่างอาบเหงือต่างๆได้ทรัพย์มาเนี่ยเป็นทรัพย์ของตนความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรเรียกว่าเงินทองรัตนาชาติสิ่งของต่างๆที่ตนสั่งสมขึ้นมาที่เนื่องด้วยตน ไม่เนื่องด้ตนเนื่องด้วยคนอื่นว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนนะเพราะเหตุไรเพราะว่าทรัพย์เหล่านี้เป็นของที่เกี่ยวเนื่องตนในพบเดียวใช่ไหมหลังจากตายไปแล้วก็กลายเป็นงนอ้อก็ดูทรัพย์เหล่านี้ย่อมไม่สามารถจะตามไปสู่พบอื่นได้แม้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ยัยเนื่องด้วยตนเท่านั้นก็ยังมีสิ่งรืายอันตรายต่างๆเยอะ บางคนได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องวิบัติไปอกไฟบ้างน้ำบ้างลมบ้างแผ่นดินไหวบ้างกระดาชาบ้างโจรบ้างเป็นต้นจึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนได้แม้ชันใดจริงๆแล้วก็คือสุจริตกรรมทศจิติกรรมที่ตนได้ทําไว้แล้วนั้นนะชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนใช่ไหมเพราะเป็นของที่เกี่ยวเนื่องเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวนอกเนื่องกับคนอื่นกายสุดจิติจิตสุดจิติโนสุดจิต กายทุจริตวิจิตรจิตมโนทุจริตหรือกรรมต่างๆเหล่านี้นี่เองที่ติดตามตนไปสู่ภพอื่นเป็นร้อยชาติก็ได้พันชาติก็ได้เป็นหมื่นชาติาตลอดถึงเป็นกับหรือยิ่งกว่าก็ได้น้ำไฟประราชาจนเป็นต้นไม่สามารถยึดเอาไปได้ไม่สามารถที่จะยึดเอาสุจริตดกรรมทุติจเด็กรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ทําไปได้ฉะนั้นพระเจา้าจึงบอกว่ากรรมมสกาสัตตาสัตว์ที่มีกรรมนั่นเองเป็นท ร, รัพย์สมบัติของตน นัพอมองอย่างที่เห็นนี่ยังว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมกรรมรรคตายานเนี่ยกา ร, รมรรคตสมาธิถีเนี่ยปัญญาต้องสามารถเข้าไปรู้ในเรื่องกรรมนี่แหละสวดเจริญกรรมและทษจริญกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไว้นี่แหละเป็นทรัพย์ที่ถาวรเป็นทรัพย์ที่แน่นอนที่มันจะติดตามกระแสชีวิตของเราไปทุกอัตภาพที่เกิดราสุดเจริญกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิต ถ้าทุกจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตในทุกอัตภาพที่เกิดใช่ไหมในจะมองเห็นในลักษณะอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้กรรมมาทายาทกรรมทายาตมาจากกรรมกมัศฐายังอาธิยยันตีติกรรมมาทายาสัตว์ย่อมถือเอามรดกแห่งกรรมที่ทําแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเรียกรรมมาทายาทสัตว์ผู้ถือเอามรดกแห่งกรรมก็แปลว่าเรามีรดกมรดกกันดังนั้น เราเป็นทายาทของกรรมเหตุนั้นเราก็จําเป็นผู้รับมรดกทีนี้ทายาทบางทีเรามีลูกสาวลูกชายบิดามารดาเป็นทายาทความจริงแล้วเนี่ยลูกสาวลูกชายบิดามารดาไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงเพราะเหตุไรเพราะเงินทองรัตนาชาติสิ่งของต่างๆที่เป็นมรดกของบิดามารดาไม่ใช่ของที่ถาวรเป็นเหมืองเหมือนของที่ยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นจึงไม่สมควรเรียกว่าเป็นทายาทที่แท้จริง พอรับมรดกเหล่านั้นเพียงชั่วคราวแต่สุจริตกรรมทุตจิตกรรมเนี่ยที่สัตว์ทั้งหลายได้ทําไว้นั่นเองชื่อว่าเป็นทายาทที่แท้จริงเพราะสามารถติดตามไปสู่พบทุกพบทุกชาติได้ น, น, น, นี่คือเรียกเป็นทายาทที่แท้จริงฉะนั้นเราเลยกลายเป็นผู้รับมรดกรับสุจริตกรรมที่เป็นมรดกบ้างทุตจิตกรรมที่เป็นมรดกบ้างฉะนั้นเราเป็นทายาทของสุจริตกรรมและเป็นทายาทของทุจริตกรรม ถ้าเราทําสุดเจตกรรมก็กไว้ทุตเจตกรรมก็กไว้เราก็ตกเป็นทายาทที่ต้องรับกรรมเหล่านี้นี่แหละในปัจจุบันนี้และในการต่อไ ป, ปราการต่ อ, อมาคือกรรมโยนิอันนี้เป็นเหตุสุดนะกรรมเป็นเหตุแห่งสุขกรรมเป็นเหตุแห่งทุกข์กรรมนั่นเองเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความทุกข์สัตว์ทั้งหลายมีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละจึงชื่อว่ากรรมโยนิ ศาตร์ก็มีสุดจริตกรรมและทุตจริญกรรมนี่ เ, เองเป็นเหตุทำสุจริตกรรมก็ไว้เยอะๆก็ได้ความสุขกระแสชีวิตก็พบความสุขหนึ่งทำทุตเจริตกรรมกระแสชีวิตก็พบกับความทุกข์เนี่ยเป็นเหตุเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกข์ฉะนั้นเราก็มนัสิการให้ชัดกรรมโยนิกรรมพันทุกพันธูในที่เนี้มันจะกรรมเมวะพันธูเยสันติกรรมพันธูเนี่ยกรรมนั่นเองเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงของเหล่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นกรรมพันธุสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเมื่อบางทีเรามีญาติบางครั้งญาติก็เกื้อกูลก็มีใช่ไหมญาติมาทําลายก็ดีเบียดเบียนก็มีสดเจริญกรรมและโทษเจริญกรรมก็เป็นพันธุเป็นเป็นพี่น้องเป็นเผ่าพันธุที่แท้จริงที่จะตามเบียดเบียนบ้างตามส่งเสริมบ้าง ประการต่อมาคำว่ากรรมว่าปฏิสารนาในโลกในคนทั้งหลายย่อมเรียกว่าเทวดาเป็นที่พึ่งที่นับถือของชนเหล่าทั้งหลายว่าปฏิสารณาะบางคนก็มีวิสนุเทพเป็นปฏิสารณะคือเป็นที่พึ่งนั่นเองใครมีวิสนุเทพเป็นที่พึ่งก็ชื่อว่ามีวิษนุเทพเป็นปฏิสารณาะบางคนก็มีเท้ายามาเทพเป็นที่พึ่งก็เรียกว่ายามาเทพเป็นปฏิสณะ บางคนมีพระพรหมเป็นที่พึ่งก็เรียกว่ามีพระพรหมเป็นปฏิสารณะผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีพระรัตนตรัยเป็นปฏิสารณะกรรมเมวะปฏิสารนังเยสันติกรรมปฏิสานะกรรมนั่นเองเป็นที่พึ่งของสัตว์เหล่าใดเพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีกรรมปฏิสารนาสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นที่พึ่งถามว่าวิษณุเทพพอมเทพยามาเทพ ที่เชื่อปฏิสนธิเพราะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยความจริงแล้วไม่ควรเรียกวิษณุเทพยามาเทพซึ่งเป็นที่พึ่งพิงชั่วคราวว่าเป็นที่พึ่งอันแท้จริงแต่ที่ไหนได้สุดเจริตกรรมและทุตจริญกรรมที่เราทำไว้นั่นเองต่างหากเป็นที่พึ่งพิงที่แท้จริงเพราะสามารถติดตามไปสู่ทุกพบทุกชาติได้เออในชาติในโลกเนี่ยชนเหล่าใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง เป็สารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะการถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้บุญกรรมและปัญญากำใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยบุญกรรมและปัญญากรรมที่เกิดจากการถึงพระเจ้าเป็นสารณะจะเป็นที่พึ่งของเขานนั่นเองพอเราถึงพระเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะปุ๊บเราก็เจริญกุศล จะเดนทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นภาวนากุศลเป็นต้นทานศีลภาวนาก็เลยเป็นที่พึ่งให้เขาใช่ไหมก็คือสติสเด็ดรกรรมนั่นเองเป็นที่พึ่งให้กับเขาเนี่ยบุญกรรมและปัญญากรรมที่เกิดจากการถึงพระเจ้านี่แหละจึงเป็นที่พึ่งเป็นสัต น, นาให้เขาเนี่ยลักษณะอย่างนี้เพื่อมีกรรมนั่นเองเป็นปฏิสัะนาพอมองอย่านี้อย่าง น, นี่อธิบายคาว่ากรรมสกาสตาเนี่ยกรรมส ก็รกรรมวสะกะตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้ว่าศาตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นองของตนขยายอย่างดเดียี่ยมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนชัดไหมอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นฐานะของปัญญานะสองฌานสัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้อุบายในการทําใจให้สงบจากนิวรณ์และความเป็นไปของฌานและองฌานตลอดถึงปัญญาในอภิญญาจิตเจ อ, อตรงนี้มีไหม ปัญญาที่รู้จักอุบายที่จะทำให้จิตสงบจากนิโรธรรมการมาฉันทะพยาบาทีนนะมิท้าอุทจารู่กุจาวิจิขิชาทีมันกุ้มลมใจอยู่เนาะก็ทำให้จิตนั้นไม่สามารถจะสงบแล้วก็ตั้งมั่นได้ถ้ามีอุบายในการที่จะทำให้สมาธิคือความตั้งมัน่นแห่งจิตเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ก็เรียกมีปัญญาที่เป็นฌานแลสมาธิฏิ สมาธิจิตที่สามารถทําให้ระดับนิวรธรรมหายไปจากใจได้ทำจิตที่ตั้งมั่นเป็นปฐมฌานฌานที่1ทุเตียฌานฌานที่2ตเตียฌานฌานที่3ามเตุตียฌานฌานที่4หรือสามารถทําอากาสารัญจายตนะฌานแล้วก็วิญญาณัญจายตนะฌานากินยัญญาเยตนะฌานแล้วก็เนวะสัญญานัญญาเยตนะฌานเป็นตัวนี้เกิดขึ้นตลอดถึงปัญญาที่สามารถรู้รอบรู้ ในการทำปัญญาจิตมีที่มาจากขู่ปัญญาเป็นต้นที่เกิดขึ้นอันนี้จัดอยู่ในฌานสมาธิธิตมีไหมปัญญาระดับนี้มีไหมสมาธิฐิตระดับนี้มีไม่มีถ้ามีก็ต้องสามารถรู้บายในการที่จะทําให้จิตเข้าถึงภาวะความสงบในจิตได้ใช่ไหมตอนที่ได้ยังงก็พยายามต้องทําให้มีเกิดขึ้นประการต่อมาคือวิปัสสนาสมา ธ, ธิอันนี้ปัญญาที่รู้ เห็นรูปนามขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาที่เข้าไปรู้ไตรลักษณ์เดี๋ยวเราจะไปศึกษาไตรลักษณ์กันอีกทีจะพูดไตรลักษณ์ที่ยาวเลยอ น, นิจจังเป็นยังไงทุกข์ขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงที่พูดถึงว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรเนี่ยจะศึกษาปัญญาระดับนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ปัญญาที่เข้าไปรู้สภาวะลักษณะกับปัญญาที่เข้าไปรู้ไตรลักษณ์โอ้โห ความเข้าใจอีกนนเยอะเลยนะ <Yeah. S 1> ท่านเต้มันอยังไงแะไรว่างกันสี่ก็มรรคสัมมาทิฏฐินี่ปัญญาที่ทํากิจในการประหารอนุัยกิเลสมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ยังเป็นปัญญาในโสดาปฏิมร์สากัตาคายมรรอนาคลายมารรมคอาตธรมะผลและสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่เสวยผลที่เกิดจากมรรคญาณได้ทํากิจในการประหานอนุัยกิเลสแล้วโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นการสวยมุติสุข อาการที่6ก็คือปัจจเวสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่เกิดภายหลังมรรยานและผลยานยานี้พิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างคนที่สามารถทําลายกิเลสปรหารกิเลสละ ก, กิเลสได้แล้วก็จะสามารถพิจารณาเห็นได้ว่ากิเลส ท, ที่ละได้แล้วคือกิเลสประเภทไหนแล้วก็ไปพิจารณาถึงกิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ในสําหรับพระเศคาบุคลเนี่ย แล้วก็พิจารณาถึงมรรคจิตที่ตนเองได้ผลิจิตที่ได้แล้วก็พิจารณาพระนิพพานอันนี้เป็นปัญญาระดับที่เหนือขึ้นไปที่สามารถไปไข้ควรไตรตองวิจัยแยกแยะอีกทีนึ่งทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของต่อไประดับการเกิดขึ้นของวิปัสสนาปัญญาหประการอุปติกมฆา ก, การพิจารณาแต่ปฏิสนที่จนถึงความจําความได้ว่ามีสุขมีทุกข์ทำบุญทําบาปมีชาติมีวิชามีความฉลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร มีพิจารณาปฏิสนธิเลยปฏิสนธิกรรมชะลุปฏิสนปฏิสนธิกรรมชะลุนีปฏิสนธินามาทรเนี่ยนะพิจารณาตั้งแต่โรค ป, ประคันเวทนาสัญญาสังขารจิญญาในขณะปฏิสนธิเป็นต้นไปตามลำดับพหานักธรมะ พิจารณาถึงการละว่าตั้งแต่จำความได้มาจนถึงปัจจุบันตนเองละทุจริเลได้อย่างไรบ้างภาวนายอย่างไรบ้างปฏิปฏิกรรมะพิจารณาถึงข้อปฏิบัติตั้งแต่เยาว์มาจนถึงปับันนี้ตนเองได้ทำความดีอย่างไรบ้างมองออกบ้างไ้มลำดับบ้างมันคิดนะมันวิจัยภูมิกามะพิจรารณาวิปัสสนาภูมินขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอินทรีย์ยี่สองปฏิจจสมบัต ส2องอริยสัจสี่ให้เห็นเป็นแต่เพียงรูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วก็พิจารณาโดยความไตรลักษณ์ปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้อนัตตามีสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลบงังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็เทศนากรมะอันนี้ก็คือศึกษาในโพธิปัจญยธรรมตั้งแต่สติปัฏฐานสมบัตฐานอิทธิบาทอินทรพราพโธชงอริมอยมรีิเป็นต้น อาประการต่อไปก็เหตุเหตุให้ได้ปัญญา8ประการการที่บุคคลจะได้ปัญญาหรือทําให้ปัญญาเกิดขึ้นได้เรียกว่าปัญญาปฏิลาโภอ่ะซึ่งมีเหตุ8ประการ น, นั่นหนึ่งมีเรียตปะและความเคารพยำเกรงในท่านผู้เป็นครูอันคนที่ปรารถนาอยากจะมีปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวตบบาปอนะู่แล้วก็เคารพอีกครูเนี่ย เคารพมีความยำเกรงเคารพในท่านผู้อยู่ในฐานะเป็นครูพู้จะให้ประสาทวิชาความรู้นี่เป็นข้อแรกอันนี้อันนี้สําคัญมากนะคนที่ปรารถนาอยากจะเจริญในปัญญาทั้งหลายต้องเป็นคนไม่กันด้างจิตใจต้องไม่กันด้างจิตใจต้องนอบเนาะจิตใจท้างเคารพสอก็มันเข้าไปหาท่านผู้เป็นครูท่านผู้รู้เสมอเสมอพอเข้าไปหากสอบถามข้ออัตถะธรรมะตามการนันสมควรอันนี้ต้องห้ามห่างครูอย่าร เขาไปสอบถามไม่ใช่อยู่มึนๆงงๆไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่พยายามค้นคว้าศึกษาแล้วก็เข้าไปสอบถามเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเหตุของปัญญาเลยนะประการที่สามก็ฟังพระสัตยรทำแล้วทําความสงบ ก, กายและสงบใจให้ถึงพร้อมในขณะที่ฟังธรรมะ ก, ก็ต้องกายก็สะอาดวาจาสะอาดฉะนั้นจิตใจก็สะอาดในขณะฟังด้วยความเคารพด้วยสี่ก็มีศีลสัสสมบูรณ์ในพ่ะปาฏิโมกถึงพร้อมได้อาจาระและโคจร ให้ถึงพร้อมได้ทั้งศีทั้งอาจาระโคจระอาจาระความประพฤติโคจระสถานที่ที่จะเที่ยวไปทั้งหลายเลยเนี้อันนี้ต้องประพฤติตํารวมในสีถ้ก็เป็นพระโหสูตรสองสุดตาสั่งสมสุดตาโอ้โหเป็นคนฟังเป็นคนมีสุดตา่ามีปัญญาค่อนข้างเป็นคนสั่งสมข้อมูลเก็บข้อมูลอย่างละเอียดแล้วข้อที่6ก็คือบำเพ็ญเพียรเพื่อละกุศลธรรธมยังกุศลธรรธมให้ถึงพร้อมด้วย ก็คือเพียรในการที่จะละบาปอย่าลืมนะว่าคนที่กิเลสในใจน้อยเท่าไหร่ก็ปัญญาก็จเจริญ ม, มากขึ้นนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเพียรพยายามในการที่จะละบาปอย่างติดต่อและต่อเนื่องและเพียรในการเจริญกุศลที่ติดต่อและต่อเนื่องถ้าทําได้อย่างนี้นะโอ้โหจะเป็นคนที่ปัญญาเกิดได้เร็วเหตุผลว่าคนโดยทั่วๆไปที่ปัญญาไม่ก็เกิดเพราะอะไรเพราะบาปเนเยอะเพราะบาปเยอะปัญญาไม่ไม่มีช่องได้เกิด และอิกปการที่เจ็ดสำคัญก็คือไม่พูดเรื่องไรส้สาระแสดงทำเองทั้าเชื่อเชิญผู้อื่นให้สแสดงทำเออปลาดนาจะบอกกล่าวแล้วก็แนะนำอยาให้คนอื่นสแสดงธรรมพอที่แก็มันพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปของอุปาทานกันฮะเสมอ พิจารณาอุปาทานขันนุคือรูปอุปาทานขันนคนนคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันพิจารณาตลอดตลอดตลอดเนี่ย น, นี่แหละถ้านะพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆๆๆพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหตุแปดประการเนี่ยแปดประการย่อมเป็นไปเพื่อความได้มาซึ่งปัญญาเป็นเบื้องต้นในพรหมจรรย์เ น, นี่มรรคพรจรรย์เ น, นี่ย ที่ยังไม่ได้เพื่อความเกิดขึ้นมียิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูบุ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์อย่งปัญญาเหตุ8ประการก็คือพิสูจนในพระธรรมวินัยเนี่าศัยครูหรือเพื่อนพรอาจารย์เพื่ออยู่ในฐานะครูรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ที่เธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งฮีเลอตปะมีความรักความหวังดีมีความเคารพอย่างแรงกล้านี่เป็นเหตุข้อที่หนึ่งเเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความได้ปัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งมรรคพรอาจารย์ที่ยังไม่ได้ เพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความภัยเบื้องบุญเพื่อความเจริญบริองบุญเห็นปัญญาที่ได้แล้วนะถ้าปัญญายังไม่ได้ก็จะได้ปัญญาเมื่อได้ปัญญาแล้วปัญญาก็จะเจริญบริบูรณญยิ่งยิขึ้นไปพระเจ้ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเนี่นะในปัญญาสูตรปฐมปันาสาอัางคุตรนิการอัตตาทิบาทเหตุแปดประการนี่แหละประการที่สองภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่อาศัยครูหรือเพื่อนพรหมจันทร์ผู้ อยู่ในฐานะครูรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความละอายตบบาปความเกรงกลัวตบบา ป, าา ก, าปาก็มีความรักความปรารถนาดีและก็มีความเคารพยำเกรงอย่างแรงกล้าที่เธอเข้าไปหาท่านเสมอเสมอก็เข้าไปหาแล้วก็สอบถามข้ออัถฐ ธ, ธรรมะท่านก็รับข้อนี้เป็นอย่างไรเนื้อความข้อนี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นก็จะเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งสิ่งที่ยังไม่ทํา ไม่ได้ทําให้ง่ายบันเทาความสงสัยในธรรมมันเป็นที่ตั้งความสงสัยแก่เธอนี้เป็นเหตุที่สองเป็นปัจจัยข้อที่สองเป็นไปเพื่อความได้มาซึ่งปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นมรรคพรหมจรรย์นะเป็นเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สามารถเข้าถึงการเจริญอริยมรรคผานกิเลสเป็นต้นได้ที่ยังไม่ได้เพื่อความเกิดมียิ่งขึ้นเพื่อความไปบูร์เพราะความเจริญเพราะความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วด้วยข้อที่สาม ภิกษุนั้นได้ฟังทำนั้นแล้วก็ย่อมทำความสงบ2อย่างก็คือความสงบแห่งกายความสงบแห่งใจให้ถึงพร้อมนี้เป็นเหตุข้อที่สเป็นปัจจัยข้อที่สเป็นไปเบ้อดุความได้ปัญญาเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความเกิดมีขึ้นความภัยบุ์ความเจริญความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วด้วยประการที่4ภิกษุเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สำรวมในพระปฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระอยู่เป็นนิดมีปกติเห็นภัยในโทษ ความผิดแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี่ก็เป็นเหตุข้อที่สี่เป็นปัจจัยข้อที่สี่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาเป็นเบื้องต้นแห่งมกกรรคผลมรรจันที่ยังไม่ได้เพื่อความเกิดมียิ่งขึ้นเพื่อความไปบูรณุณความเจริญความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วด้วยประการที่ห้าภิกษุเป็นพระหุสูตรดิเป็นผู้ทรงสุดตะสั่งสมข้อมูลอยู่เสมอ การเป็นพวกมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอทําเราใดมีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดกล่าวถึงพรหมจาจทร์พร้อมทั้งอัฏฐาพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทั้งที่เห็นปา น, นี้อันภิกษุได้สดับมาแล้วเป็นอันมากทรงจำไว้คร่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยอัฏฐาด้วยพยัญชนะด้วยปัญญายิ่งนี้ก็เป็นเหตุข้อที่5เป็นปัจจัยข้อที่หเป็นไปเพื่อความได้แห่งปัญญา อันเป็นเบื้องต้นอย่างพระมาจั์ที่ยังไม่ได้ด้วยเพื่อเกิดเพื่อความเกิดมียิ่งขึ้นเพื่อความภัยบู์ความเจริญและความไับูนอย่างปัญญาที่ได้แล้วด้วยข้อที่หกภิกษุผู้ปาราความเพียนเพื่อพระอุปสมธรรมยังอุปสมธรรมไม่ถึงพร้อมเป็นผู้มีเรี่ยวแรงด้วยเรีเร่ยวแรงก็มีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระ ในพระดิพานก็ได้ไม่ทอดทิ้งตุร่างในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หกอะไรที่เป็นกุศลทั้งหลายไม่ไม่โอ้ยเดี๋ยวค่อยเจริญใหม่ๆอะไรเป็นทานกุศลค้นขวายไหมโอ้ยข้นขวายอะไรเป็นศีลกุศลอะไรเป็นภาวนากุศลจะค้นขวายเร่งรีบหรือค้นขวายเต็มที่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวค่อยทำไม่ใช่ค้นขวายเต็มที่เลยเนี่ย นี่เป็นข้อปัจจัยข้อที่หกคือเป็หตุที่หเป็นปัจจัข้อที่หก เ, เป็นไปเพื่อความได้ปัญญาเนะี่ยอันเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคผลมรรจันทร์อันที่ยังไม่ได้ด้วยเพื่อความเกิดดียิ่งขึ้นเพื่อความไปบูนความเจริญความบริบูนแ่งปัญญาที่ได้แล้ ว, วข้อที่เจ็ดพิสูจนนั้นขณะอยู่ท่ามกลางสงย่อมไม่พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์แสดงทำเองบ้างเชิญชวนให้ผู้อื่นแสดงบ้างไม่มีความตหนี่ไม่โดมินอาการนิ่ง ไม่ตันหีได้ไม่มีความตันหีไม่ดูหมิ่นอาการนิ่งแบบพระริยเจ้าซึ่งเป็นการนิ่งอย่างรู้เท่าทันซึ่งเป็นเหตุข้อที่เจ็ดการนิ่งอย่างพระริยเจ้าเป็นยังไงพระริยาเจ้าเนี่ยเขาเจอหน้ากันเนี่ยเขาทากิจสองอย่างนะหนึ่งสนทนาธรรมถ้าไม่สนทนาธรรมก็นิ่งในขณะที่นิ่งอย่างพระริยเจ้าก็คือมณฑสิการธรรมะถึงในพระธรรม ใส่ใจในการประทานออกมองออกไหมแ ล, ล้วถึงพฤติผลทำมาผลหรือสังฆผลยี่เป็นต้นไม่นิ่งนิ่งเฉยเฉยป่อยจิตเลื่อนลอยปั้นเปลื่อเ ล, ลือนหลงเราเป็นคนนิ่งอย่างพระรยาเจ้าหมฝึกเลยต่อไปนะแต่มากแเรวก็เวลาอยู่นิ่งนิ่งแล้วคิดอะไระคิดไปทั่วไว้ที่ผ่านมาเออต้องถ้านิ่งนี่แปลว่ากําลังมาราชการมาทำ หรือเจริญพุทธคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอาธรรมะมวดใดบนลหนึ่งมาติดอันนี้เคยนิงอย่ริยะเป็นไปเพื่อความไม่ได้อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่เจ็ดเป็นไปเพื่อความได้มาซึ่งปัญญาเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมจารีที่ยังไม่ได้เลยความเกิดขึ้นความภัยบู์ความเจริญความบริบูรณ์เห็นปัญญาที่ได้แล้วด้วยพิกษุผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดความดับไปของอุปาทานขันห่าวรูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นอย่างรูปเป็นอย่างนี้ความดับของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นอย่างเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแหงเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับเป็นไปได้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเหตุข้อที่หกเป็นปัจจัยเอหตุข้อที่แปดปัจจัยข้อที่แปดเป็นไปเพื่อความได้มาซึ่งปัญญาอเป็นเบื้องต้นของประมาจารย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความเกิดมียิ่งขึ้นเพื่อความไปบุญความเจริญความไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วให้ไปนี่แหละไปพิจารณาหนึ่งรู้จักลักษณะของรูปรู้จักเหตุเกิดของรูปรู้จักความดับของรูป รู้จักลักษณะของเวทนาเหตุเกิดของเวทนาความดับของเวทนาไล่ไปรื่อยๆไปพิจรารณาถนัดนั้นเลยนะต่อมาก็เหตุการเกิดขึ้นของปัญญาสามระดับมีอะไรบ้าง<ม>สุตตามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเรื่อเรียนการฟังการอ่านการบน่นสาธยายการสอบถามมีไหมข้อนี้ สุดตานี่นะเขาเรียกว่าทางเกิดของปัญญาปัญญาสามอย่างแยกออกมาเป็นสุดตามายปัญญาจินตามายาปัญญาภาวนามายปัญญาคาท้ายของปัญญานั้นเป็นตัวกลางรวมกันส่วนคําข้างหน้าที่ต่างกันบอกว่าที่มาแหล่งที่มานะแหล่งเกิดของปัญญา เช่นหนึ่งเกิดจากสุตตะเกิดจากการสดับเกิดจากการอ่านเกิดจากการสอบถามเนี่ยสุตะอันนี้เป็นแหล่งที่หนึ่งเปนสุตะไอมายาปัญญาก็เหมือนเดิมสองเกิดจากจินตาะการคิดไตรตรองการพิจารณาการแยกแยะ ก, การวิจัยสามก็เกิดจากภาวนาเกิดจากการปฏิบัติต่อากนั้น ปัญญาสามชุดนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงน้อยแต่โดยส่วนใหญ่มักจะมาพูดกันบ่อยข้อสำคัญความเข้าใจความหมายไม่ค่อยจะชัดนั้นตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจใมันชัดขึ้นสุตตามัยปัญญาจินตามัยปัญญาภาวนาในลำดับสามประการเนี่ย ตามพระตรปิดกชั้นเดิมๆบางทีท่านก็กล่าวจินตามายปัญญาก่อนแล้วก็กล่าวสุตตามยปัญญาทีหลังเนี้ยก็คือในชั้นต้นๆท่านจะกล่าวคําว่าจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาปัญญาที่เกิดจากโยนิโสมนริการที่ตั้งขึ้นได้ด้วยตนเองและปัญญาประเภทนี้เกิดยากคนบางคนเนี่ยถ้าไม่อาศัยคนอื่นเลยสามารถตั้งโยนิโสมนริการความเป็นผู้ฉลาดคิดคิดอย่างถูกอุบายถูกวิธี แล้วทําปัญญาประเภทนี้ให้เกิดขึ้นด้วยกําลังอย่างยวทโสสมเทศกาเนี่ยากไหมยากสุดตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสดระประเรียนในปัญญาเกิดจากปาระโตโคสามีปัจจัยภายนอกช่วยกระเตื้องตุดเพื่อหนุนส่วนภาวนามยปัญญาก็ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติบาเพ็ญปัญญาเกิดจากปัญญาสองอย่างแรกและก็มันพิจารณาในบรรดาสภาวธรรมในนั้นเออตรงนี้ก็ที่ท่านเรียงลําดับไว้อย่างเนี้ย ท่านต้องการเรียงลําดับว่าจินตามมายาปัญญาเนี่ยโดยมากเป็นระดับบุคคลที่บําเพ็ญหรือเจริญเพื่อเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือพอระปเจกุฎิพุทธเจ้จา อ, อันนี้เป็นระดับของบุคคลที่เอกอุดเดนนะที่สามารถที่จะคิดค้นทำปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาเองได้นี้เป็นต้นสุตตานี่ยโดยมากอย่างเราเทั่วๆไปก็จะเป็นไปที่จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ทีนี้ ถ้าเป็นอัจฉริยะบุคคลในขั้นของพระพุทธเจ้าพระาะพระเจ้าเนี่ยเป็นนักคิดที่แท้ จ, จริงคือมีบัญญาที่ยิ่งใหญ่เหนือคนทั่วๆไปอย่างที่ว่าท้ากลางสิ่งแวดล้อมเรีบประสบการณ์ทั้งหลายที่คนอื่นๆพกเห็นกันมาเป็นสิบเป็นร้อยปีเป็นพันปีกี่ชั่วอายุคนเขาก็อยู่กันมาก็เขา้เขาใจตามกันมาก็ไม่สามารถที่จะคิดพิจารณาทาําปัญญาให้เกิดขึ้นแต่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถานี่ ภวบาทเกิดขึ้นมาท่านก็บอกเลยว่าอาโคมัสมิโลกัสาเชิโทมัสมิโลกัสาเศโถมัสมิโลกัสาอายะมันติมาชาตินตะิธานิบุณภูมุเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้เลื่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ทีงเราจะไม่มีเอาดีเนี่ยเป็นการประกาศยืนยันว่าเราจะฝึกตนเองให้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดและเป็นผู้เลื่ที่สุดท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ที่ท่านจะไม่มีอีกต่อไป ลักษณะของเอกบุรุษที่อุบัติเกิดขึ้นมาอย่างเนี้นี่กําลังของโยนิสโสมเฮสิกาที่ที่เป็นจินตามวปัญญาขั้งแรงมากคือใครก็เขีนกันใช่ไหมหเกิดแก่เจ็บตายสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราเจอเจอกันอย่านี่ยแต่เราไม่เคยกระตุ้นคิดอะไรได้หรอกอยู่กันไปกับมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินกันไปใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แต่บุคคลที่เป็นผู้ที่ เกิดมาแล้วมีปัญญาประเภทนี้มาสั่งสมมาอย่างดีเนี่ยเห็นพบแล้วสามารถทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้ท่านสามารถวิจัยแยกแยะสามารถที่จะไปพิพจนารณาด้วยกำลังขุงโยนิโสมณิสิการเนี่ยทําจินตามายะปัญญาเนี่ยระดับพระพุทธเจ้าและพระปฏิเเพรพุทธเจ้าเนี่ยโดยไม่ต้องอาศัยคําสั่งสอนแนะนําของบุคคลอื่นแล้วก็ไม่มีคนอื่นที่มีปัญญาที่จะมาบอกมาสอนให้ได้อันนี้เป็นปัญญาของบุคคลพิเศษคนทั่วไปไม่มี เห็นใบไม้ร่วงแล้วอยากลงสูต่ตรลักษณ์โดยความเป็นอันนี้จังทุกขั้งนะจตาแล้วบรรลุได้เลยเราเห็นร่วงเต็มไปหมดไม่เห็นคิดอะไรเลยใช่ไหมเห็นผุมหงอกเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยออกบวชได้เลยเงยเนี่ยเรานิ่งงอกจนหมดหัวแล้วยังไม่อยากบวชอีกใช่ไหมเอาเห็นคนที่ยเขาเครียดนอนไม่หลับเยังคนเดียวนี่เขาโอบอกไม่อยู่แล้วออกบวชทันทีแต่เราเห็น้ะเป็นไงก็เฉยเฉยเห็นมีอะไรเลย เห็นคนเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเนี่ยเห็นคนเขาเจ็บปวดเห็นคนเขาล้มเหลวในชีวิตเห็นคนที่เขามุนๆงงๆทั้งหลายเห็คนบ้าเดินไปเดินมากันทั้งหลายเนี่ยโหแค่นี้เขาสะดุง้งสะเทือนมากเลยนะคนที่มีกําลังของโยนิโสมเรศกาเป็นอย่างดีเนี่ยเกิดความสังเวชยานะอย่างแรงกล้าเลยวัางั้นเถอะเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดินผ่านไปก็ผ่านมางงๆอยู่นี่แหละเห็นไหมจิตตามียาปัญญามันไม่เกิดเนี่ยมันมันมันลาบากเนี่ย คนที่มีจินตามัยยะปัญญานี่มีกำลังโยนิโสมนิสิการที่เกิดจากจินตะรู้จักคิดคือเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจเมื่อเห็นแล้วเนี่ยโยนิโสมนัสิการก็ทำงานเรีกวเป็นแกนในการพัฒนาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้เลยโอ้บุคคลเหล่านี้ไม่ธรรมดาแล้วนี่บุคคลเหล่านี้ไม่ธรรมดา เออมันมีเรื่องกล่าวเข้าไว้ด้วยนะว่ามีความรู้อีกอย่างหนึ่งนะใ น, ในกคัมพีเนียตัวประกรบเาจัดประเภทเขาบุคคลสี่ประเภทเขาไว้บอกว่าที่เรียกว่านิวนอ่ะเวไนย่ามมีสามประเภทบุคคล ก, ก็คือคือให้เห็นทุนเดิมมาก่อนที่ก้าวสู่ภาวนาวิญญาเนี่ย คนที่มีสองอย่างก็คือมีทั้งสุตตะมยปัญญาและจินตามายปัญญาเนี่ยเป็นอุคติตันยูก็รู้ได้โดยฉับพันเพียงแค่ฟังหัวข้อก็เข้าใจทันทีเลยในอุคติตัญยูเนี่ยแปลว่าเขามีอะไรเขามีสุตตะมยะปัญญาและจินตามยปัญญาเนี่ยเขาสังสมมาดีมากสุตตะก็สังสมมามากจินตาวิธีคิดเขาก็สังสมมามากการใช้โยนิโสมมามากเลยเนี่ยอันพอมาฟังธรรมะได้นิดหน่อยตอนนั้นแหละ อุยธรรมะมปรากฏขึ้นกับใจของบุคคลประเภทนี้ทันทีพ อ, อธรรมะเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ฉลาดคิดสามารถแทงตลอดอริยสัจได้เลยเนี่ยเนี่ยนั้นอุกติตันยูเ็ามีปัญญาสองประการมาสตตะสมัยปัญญากับจินตามัยปัญญาผู้รู้ได้อย่างเพียงฟังหัวข้อและเข้าใจคนที่มีสตตามัยปัญญาอย่างเดียวแต่ ว, ว่าสังสมสตตะมามากแต่จินตามยยะปัญญาน้อย แต่สุตตะปัญญาปัญญาเนี่มากเลยมีสุตตะปัญญาปัญญามาอย่างเดียวเนี่ยคนประเภทนี้จะเป็นวิปจิตันยูรู้เข้าใจต่อเมื่อได้ขยายความอย่างเช่นเวลาแสดงธรรมจักรกับปวจรณะสูตรอาทิตตะรานัตตะรณะสูตรอาทิตตะปริยัตสูตรเงี้ยนะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะสมาทิฏฐิสู ต, สตรเป็นต้นที่สูตรยาวๆๆทั้งหลายที่แปลว่าขยายความการขยายความในลักษณะอย่างเนี้ยเหมาะสมแก่บุคคลที่เป็นวิปจิตันยู บุคคลที่สั่งสมข้อมูลมาเยอะฟังมามากเรียนมามากทรงจํามามากในสังสารวัตรพอมาในปัจจุบัติพบพอได้ฟังธรรมะฟังบทขยายความแท่งตลอดอริยศาสตร์ได้เนี่ยนะนี้เป็นต้นส่วนคนที่ไม่มีปัญญาทั้งสองอย่างนั้นก็คือคนที่ไม่มีทั้งสุตตามยปัญญาไม่มีจิตามิยปัญญ า, า, ญญาคือไม่ได้สั่งสมข้อมูล ทั้งการสั่งสมเรียนรู้และการคิดพิจารณามาเลยเนี่ยเป็นเนยะผู้ที่จะพึงแนะนําโดยการฝึกสอนอบรมให้เข้าใจต่อไปโอ้โหอันนี้หนักเลยนะเนี่ยขนาดเนยะบุคคลยังหนักขนาดนี้แปลว่าไม่มีทั้งสุดตาไม่มีทั้งกินตาแต่เป็นคนที่มีอัธยาศัยนะีมีอัธยาศัยที่สามารถจะมาเรียนแล้วเรียนอีกทรงจําแล้วทรงจําอีกฝึกแล้วฝึกอี ก, อกมันรู้ได้ที่ประเภทที่สามเรียกเนยะบุคคล ส่วนปัททะประมาเนี่ยไม่เป็นเวไนนะเป็นอันไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่เป็นเวไนเลยสอนไม่ได้แล้วคอนดูเภสเนี่ยนอกจากไม่มีทั้งสุตตะไม่มีทั้งจินตะแล้วเนี่ยยังไม่มีอัธฉริาายะใสในการที่จะฟังพระธรรมว่างั่นตัอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการรู้จักคิด ได้กำลังโยนิโสบรรณสการตนเองเนี่ยเรียกว่าจินตามัญาปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าพระประเจพุทธเจ้าอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปเป็นคนพิเศษเนะคนทั่วไปไม่มีจินตามยปัญญาไม่รู้จักการใช้โยนิโสมรรณสการด้วยตนเองจึงต้องอาศัยการสัตดับฟังเรื่เรียนการแนะนําสั่งสอนจากผู้อื่นเป็นจุดเริ่มนี่คือการสร้างสุตตามยปัญญาก่อนในขณะที่บุคคลพิเศษเนี่ยข้ามสุตตามัญปัญญาไปเลย นีข้ามไปเลยแต่เราใช่บุคคลพิเศษไหมข้ามได้ไหมเนี่ยแปลว่าในอดีตเนี่ยไม่มีสุตตามยญปัญญามาอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยพบไม่รีบสั่งสมสุตตามยาปัญญานี้เป็นอันว่าจบกันเลยว่างั้นเะเป็นอันว่าจบกันแล้วฉะนั้นสุตตามยญาปัญญาปัญญาที่เกิดจากสุตตาได้แก่ปัญญาที่เกิดปัญญาที่คนทั่วไปต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยสุตตาก็คือเมื่อ ยังคิดเองไม่เป็นหรือคิดไปไม่ถึงคิดหรือมองอะไรไม่ออกไม่เข้าใจก็ต้องมีผู้แนะนำสั่งสอนบอกให้เช่นนี้ท่านเรียกว่ากาลยาณมิตรอย่างเช่นพระเจ้าบ้างท่านผู้รู้ครูอาจารย์มาแนะนำชี้แจงจึงรู้และเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงในระดับหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเนตสุตตามยปัญญาท่านถามองในลักษณะนี้เราต้องอาศัยสุตตา ตอนนี้เราคิดเองเป็นไหมคิดเองเป็นนี่ยังมองอะไรออกหรือยังบางทีมันคิดไปไม่ถึงใช่ไหมนอกบางคนมันคิดเองได้ในระดับหนึ่งแต่มันคิดไปไม่ถึงก็ต้องอาศัยครูอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยพรธเจ้าอาศัยข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นตัวสื่อเป็นตัวแนะนําเป็นกัลยาณมิตรเป็นปรดโดโคสปัจจัยเป็นสิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นเตือนทำให้เรามองอะไรออกคิดอะไรออก คิดถึงไปถึงได้เนี่ยในลักษณะอย่างเงี้ยหรือบางทีมันไม่เข้าใจก็อาศัยนี่แหละอาศัยกายานามิตนี่แหละถ้าไม่เกิดความเข้าใจเราก็ต้องอาศัยคนแนะนําก็แล้กมีกายานามิตอย่างที่ได้บอกนันงั้นเราจะต้องเราอยู่ห่างพทะเจ้าได้ไหมบอกไม่ได้ห่างครูอาจารย์ก็ไม่ได้ห่างพุทธเจ้าก็ไม่ได้อีกต้องรู้เข้าใจอย่างความจริงในระดับที่หนึ่งะอันนี้สรุปแล้วตอนนี้เรายัง ม, มีสติมัญปัญญาถ้ามีสติปัญญปัญญานี่มันจะเริ่มมองแล้วออกไหม มันจะเริ่มเข้าใจอะไรเห็นอะไรปุ๊บมองออกคิดออกเข้าใจได้หรืออ่านอะไรแล้วเข้าใจหรือเอามาคิดคร่ควรอะไรมันเข้าใจได้เงี้ยส่วนจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากจินตารู้จักคิดเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจจากสุตตะเกิดมีสุตตามัยะปัญญาเกิดการเล่าเรียนได้สดับฟังแล้วก็ฝึกอะไรฝึกโยนิโส มนัสการการฉลาดคิดให้มองรู้เข้าใจมองให้กว้างไกลมองให้ลึกมองให้รอบมองให้ทั่วตลอดแยกโยงให้ได้ทําให้เกิดการก้าวต่อไปในการที่เข้าถึงความจริงแล้วก็ใช้ความรู้อย่างได้ผลมันจะได้พัฒนาไปถึงการใช้ความรู้อย่างได้ผลเสียทีถ้าอย่างนั้นมันก็ติดตันกันอยู่นี่แหละมันไม่สามารถที่จะเจาะหรือเอาความรู้นั้นมาพัฒนามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงเนี่ยอันนี้าจินตามยปัญญาจึงเป็น การฝึกขาดคิดในการที่จใช้โยนิโสมนัสิการไอ้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะกที่สามก็คือปัญญาภาวนามยปัญญาใ น, นปัญญาที่เกิดจากภาวนาเกิดจากการปฏิบัติบาเพ็ญทําให้เป็นให้มีขึ้นได้จริงโดยการลงมือทํากํากับกับประสบการณ์ตรงเลยตัวเนี้ยนะประสบการณ์ตรงก็หมายถึงปัญญาที่พัฒนาตัวต่อจากไหนต่อจากสุตตะมย์ปัญญา หรือปัญญาที่พัฒนาต่อจิตจิตตามวยปัญญาสองอย่างแรกนั่นแหละอาศัยปัญญาสองอย่างแรกนั้นพัฒนาต่อไปด้วยการมนณสิการหมายถึงตัวโยนิโสมรณาสิการนี่แหละที่เป็นตัวสภาวะจนเกิดปัญญารู้แจ้งจริงที่สําเร็จเป็นมัคได้บรรลุผลได้ี่จนสามารถแทงต่อตลอดอริยมรรคอริยผลไดแต่ตรงนี้ต้องสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าภาวนาวยปัญญาเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยสุดตามวยปัญญาไดจินตามวิยปัญญา ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าเข้าฌานได้ได้ภาวนามยปัญญาอย่างนั้นมันไม่ใช่ต้องตระหนักว่าคนทั่วไปเนี่ยแม้แต่จินตามายปัญญาก็ยังทําให้เกิดเองไม่ได้มันต้องเริ่มจากสุตตามายปัญญาสุตตามายปัญญาก็ยังไม่ค่อยจะได้แม้แต่ได้แค่สุตตาได้แค่สุตตาแต่ไม่ได้สุตตามยปัญญาถูกไหมมีไหมได้แค่สุตตาเนี่ย ฟังการฟังการอ่านการเรียนอะไรแค่นเนี้ยแต่ใช้จริงไม่เป็นเลยใช่ไหมเอาไปใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้จุดที่สําคัญที่สุดตรงนี้ก็คือโยนิโสมนัสการเป็นตัวทํางานมีเป็นแกนในการพัฒนานเป็นแกนในการสร้างปัญญาทั้งสามถ้าเป็นระดับบุคคลพิเศษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วเนี้ย ท่านเริ่มต้นด้วยจินตามญญายปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยสุตตะจากคนอื่นไม่ต้องพึ่งเปลือกโตโภสักไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกคือใช้โยนิโสมนสิการที่ท่านสั่งสมมาได้ได้วยตนเองเป็นที่มาของปัญญาที่เกิดจากการคิดทําให้คิดเป็นนะได้เฉพาะพิเศษส่วนคนทั่วๆไปเนี่ยแม้จะได้สุตตะจากผู้อื่นแต่เมื่อจะก้าวต่อไปจะต้องใช้ปัญญาพัฒนาขึ้นไปก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการจนกระทั่งในที่สุด การเกิดของปัญญาข้อที่สามเช่เป็นปัญญาสูงสุดก็มีการทํางานของโยนิโสมนัสการนี่แหละเป็นประการที่สําคัญั้นสรุปแล้วก็คือตัวโยนิโสมนัสการเป็นแกนหลักในการที่จะทําให้สุตตมะยปัญญาจินตามะยปัญญาและภาวนามยปัญญาเกิด <iyorum> ขึ้นขาดโยนิโสมนัสการไม่ได้เลยนั้น <iyorum> <passar> ก็คือว่าปัญญาในสามอย่างเนี่ยสุตตามะยปัญญาจินตามะยปัญญาภาวนาะยปัญญาเนี่ยนี่นะ เรื่องนี้พระเจ้ทาทรงเน้นย้ําบ่อยมากตัดอยู่เสมอก็คือโยนิสโสมนัสการซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการทําให้เกิดปัญญาเมื่อโยนิสโสมนัสการเกิดแล้วปัญญาทั้งสามเหล่านั้นก็มาได้และให้สําเร็จผลและบรรลุทั้งจุดหมายได้จริงอ่าสรุปบางคนได้สุดตะโดยไม่ได้ปัญญาเลยแม้สุดตาไม่ใช้ปัญญาก็ไม่ได้มีไหมจําได้หมดฟางฟังฟังฟัง ถาเข้าใจไหมไม่เข้าใจแยกแยะได้ไหมไม่ได้ฟังได้ให้เล่าอะไรเล่ า, ลาได้หมดแต่แยกแยะไม่ได้เคยเป็นแม่แบบเนี้เนี่ยเออเนี่ยมันได้แค่อะไรได้แค่สุดตาแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้สุดตามียาปัญญาพอแค่ต่อให้เกิดความเข้าใจยังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าฉะนั้น มันก็จะต้องอาศัยนี่แหละอาศัยสุตตะนี่แหละเมื่อยังคิดไม่เองยังคิดเองไม่ไนดะ้คิดไม่เป็นหรือบางทีมันคิดเป็นได้แล้วแต่มันไปไม่ถึงคิดไปยังไม่ถึงหรือมองอะไรไม่ออกยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยเนี้ยมีผู้นี้ น, นำไปบอมเริ่มชัดเจนใช่ไหมเรื่องปัญญาอะไรแบบนได้ไหม สามารถที่จะตอนนี้มีสุ์ตะมยยปัญญาเนี่ยมีไหมต้องรู้สิสุ์ตะกับสุ์ตะมยยปัญญานี่ต่างกันไหมต่างตรงไหนอ่ะถ้าต่างนี่ถ้าสุ์ตะก็คือจำจำได้ ทำข้อมูลได้ถ้าเป็นสุตตามยญาปัญญาเนี่ย เ, เกิดความเข้าใจสามารถที่จะมองได้ทุกแง่ทุกมุมมองออกได้เลยได้นะครับ<ม>บางคนรู้จักมนุสิการไตรตองพิจารณาสุตตะแล้วสามารถทําสุตตามยปัญญาเกิดขึ้นบางคนได้สุตตามยญาปัญญาแล้วรู้จักมนสิการคิดพิจารณายิ่งขึ้นไปก็พัฒนาจินตามยญาปัญญาให้เกิดขึ้นมา บางคนใช้สุดตามัจยปัญญาและจินตามัจยปัญญาที่มีแล้วนั่นแหละเป็นฐานพัฒนาปัญญาด้วยโยนิโสมนุสการยิ่งขึ้นไปจนสามารถทําภาวนามยปัญญาณเกิดขึ้นมาได้ก็ประสบความสำเร็จในการที่จะสํฤทธิ์เป็นมรรคเป็นผลเป็นวิปัสนาญาณเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นไปลักษณะอย่างนี้ เนีญญ่ยปัญญาสมระดับสุตตามายปัญญาจิานตามายปัญญาและภาวนามิญญปัญญาไอตัวจินตามายปัญญาเนี่ยเกิดจากการคิดปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาที่ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาเล่าเรียนได้หลักเกณฑ์และผลเป็นต้นตอนนี้ก็เป็นแกนของโยนิสโสส่วนภาวนามิญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมที่เกิดจากการเจริญภาวนาก็เลยสมถะภาวนาการเจริญสมาธิเป็จนกทั่งฌานในจิตเกิดขึ้น เทวชานะสัมมาทิฏฐิวิปัสนาเกิดขึ้นก็เป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐินี่จนกระทั่งได้เห็นความเป็นไปของรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงปรากฏด้วยความเป็นไตรลักษณ์ด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาทำลายกิเลสได้จนสำเร็จเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิบรรลุถึงมรรคขยานพลายานทำลายอนุสัยกิเลสเป็นต้นจะถึงปัจเวสสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่นะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ เมืบางแหง่งเขจะกล่าวถึงเหตุเกิดของปัญญาเยอะเช่น อ, อะไรเอตที่ทําให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสิทธิการให้ทานเป็นตน้นเหตุที่ทําให้เกิดวิปัสสนาปัญญาก็คืออาตาปีสติมาสัมปชานุมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเหตุที่ทําให้เกิดโลคุตรปัญญาเขาวิปัสสนาปัญญานี่ก็ว่ากันหลายเรื่องเหตุให้เกิดกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็มีอัติที่นั่งเห็นว่าการให้ทาน ย่ไมให้รับผลดีมีประโยชน์อัธิยิฐทางการบูชาการกราบไหว้ได้รับผลดีมีประโยชน์อัถิหุตังการต้อนรับเชื้อเชิญได้รับผลมีประโยชน์การทํากรรมดีกรรมชั่วให้ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมภพนี้มีอยู่สัตว์ผู้ตายจากโรคอื่นมาสู่ภพนี้มีภพหน้ามีอยู่สัตว์ที่ตายจากตายแล้วจะไปเกิดในภพหน้ามีอยู่ถ้ายังมีกิเลสคุณของมันดาปิดามี เห็นต้นะเนี่ยนะสัตว์ที่เกิดผุดโตทันทีเช่นสัตว์นรกเปรดอสระกายเทวดาเนี่ยมีอยู่พวกพรมเนี่ยตลอดถึงสำนักพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ประจักษ์แจ้งในโลกนี้โลกหน้าด้วยตนเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้นะมีอยู่จริงนะอันนี้เป็นเหตุเกิดของปัญญาปิสมาธิถีสิปการนะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของไตรลักษ์โหไตรลักษ์นี่ต้องเป ทำความเข้าใจคันอีกทีไตรลักษณ์อันนี้ก็ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนอยู่แล้วต้องไปเรียนไปพิจารณาในเรื่องของไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามประการเนี่ยของรูปนามขันห้าก็มีอนนี้จะลักษณะทุกขลักษณะแล้อนะตรักษณ ะ, ษณ ะ, ษณ ะ, ษณะอันนี้ก็ต้องลักษณะอาการที่ไม่เที่ยงอาการที่ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน ตั้งอยู่ตลอดการไม่ได้โดยมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปในที่สุดปุกาทวยะปะวัติณะโดยมีความแปรปวนวิปรินามะโดยความเป็นของชั่วเกาวชั่วคาวตาลกาลิกะโดยเป็นปฏิปักษ์กับความเที่ยงเป็นอนิจจติปิฏกมีหลักการในการพิจารณานิจลักษณะถ้าทุกลักษณะก็คือมีลักษณะมีาการที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมสลายสิ้นไปโดยมีความบีบคั้นอยู่เสมอ อภินิหารสัมปติปาลนะโดยความทนได้ยากทุกขมะโดยความเป็นที่ตั้งแห่งทุกทุกขวัตุโดยความเป็นที่เป็นปฏิบัติต่อความสุขเป็นสุขขปฏิปักษิปักษและก็อนัตตลักษณะลักษณะก็คืออาการที่ว่างเปล่าจากตัวตนไม่ใช่ตัวตนเพราะตัวตนมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมจึงบังคับบัญชาไม่ได้จะให้เป็นไปตามที่ใจปรารถนาก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยความเป็นของว่างเปล่าเป็นสุญญตะด้วย แต่ค ว, วามไม่มีเจ้าของนี่ปฏิเสธผู้สร้างัล้วดิอัศมิมานะคืออัศมิกะไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สร้างโดยไม่มีสิ่งอะไรที่จะเป็นทาตามอวะสะัตวัตนะไม่เป็นโดยเป็นปฏิปักษกับอัตตาเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสามัญใลักษณะธรรมดาเป็นธรรมชาติของรูปนามธรรมชาติของสังขารทั้งหลายเป็นไปในลักษณะนี้ ก็ไปขยายความอานิจจลักษณะสิบทุกลักษณะยีห้าแล้วก็นัตตลักษณะหมีความไม่เที่ยงอานิจเจโตอันทุ่วโตมีความเป็นของไม่ยั่งยืนอสารกตโตโดยความเป็นของไม่มีแกนสารจาระโตก็โดยความเป็นของหวั่นไหวนิ่งยากรโรรถกตก็โดยความแตกดับมิปรินา ม, ธมะธรรมโตก็โดยเ ป, เปลี่ยนแปลงกลับกรอกเป็นธรรมดา อะไรนะทำมโตโดยความเป็นธรรมดาที่เป็นไปเพื่อความตายวิ่เพราะว่าโตก็โดยความเป็นของฉิบหายสังกัตโตก็พิจารณาโดยโดยความเป็นของที่ต้องปรุงแต่งเนืองๆแล้วก็ปพังคุตโตก็โดยต้องทําลายผุพังแตกกระจัด ก, กระจายไปเป็นธรรมดารวมแล้วสิบระการเนี้ยก็คืออาการของขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีแขนสาญวันไหวนิ่งยากเป็นตัวเราเนี้ย แตกสลายตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงกลับกรอกแล้วก็เป็นเป็นธรรมดาเป็นไปเพื่อความตายโดยความเป็นของชิบหายด้วยนะแล้วก็โดยความต้องปุงแต่งตลอดแล้วก็ต้องผูกพังแต่กระจัดกระจายอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันแสดงตัวตนมันอย่างแต่เราไม่ค่อยเห็นนะขันห้ามันทํางานมันมันมันเป็นมันอย่างเงี้ยเราชีวิตเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเห็นไหมไม่เห็นถ้าทุกข์ละ ทุกขมาโตก็โดยความเป็นทุกขสภาพที่ทนได้ยาพยโตโดยความเป็นของน่ากลัวมันเบียดเบียนบีบคันเ น, เนี่ยนะอิคีโตโดยความเป็นเสเนียร์จันไหลเป็นเส น, นีนยร์จันไหลโดยในขันห้าเนี่ยอุปทัทวทโตก็เป็นอันตรายด้วยระทมทุกเป็นอุบาทดอุบาทอุปัทวันอุบาทอุบาทในที่นี้มันหมายความว่าเป็นอันตรายเป็นอันตรายตลอดอุปสสะคาโตก็โดยความเป็นอุปัสระสขัดขวางขัด ขัดข้องขัดขวางตลอดโรคโตก็เป็นสิ่งที่เสียดแทงเลยอาพาธโตโดยความเป็นสภาพที่ป่วยไข้มันป่วยตลอดเน่ยแล้วก็คันทะโตโดยความเป็นประดุดหัวฝีมันคอยชิมแทงตลอดนั่นแหละมันแทงตลอดเลยให้รูปอาการเวทนาสัญญาสัญการวิญญาณสาระโตโดยความเป็นดุดดังลูกศรปากกกก็ โ, โหยเจ็บปวดตลอดถอดออกไม่ได้ อาคัโตโดยความเป็นสิ่งหาคุณไม่ได้ไม่มีเลยไม่ได้มีคุณอะไรเลยเพราะงั้นแจ่แล้วก็มันหมายความว่าเราก็แล้วตอบสนองมันยังไงเนี่ยเราคิดผนะิดเนี่ยั้นอย่าไปคิดตอบแทนกันนะอาตาและนัโตก็ด้วยความเป็นสิ่งที่พ้นจากการต้านทานเราต้านไม่ได้อะเลนัโตก็ด้วความเป็นสิ่งที่พ้นจากการป้องกันไม่ป้องกันไม่แก่ไม่ตายไม่ไจะป้องกันยัง อสาระโตไม่ได้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งไม่ได้นั้นอย่าไปพึ่งรูปขันอย่าไปพึ่งเวทนาขันอย่าไปพึ่งสัญญาขันอย่าไปพึ่งสังขารขันอย่าไปพึ่งวิญญาณขันใช่ที่พึ่งไหยไม่เลยมันแตกดับอยู่ตลอดเวลาพึ่งได้อาอธีนวะโตโดยความเป็นสิ่งที่มีแต่โทษมีอาธีนวะหมดเลยนะี่ทุกขมูละโตก็เป็นมูลแห่งความทุกขะตะโตก็โดยความเป็นประดุจเพชฌฆาต มันฆ่าตลอดเวลาเลยมันค่ากันเองอยู่นั่นแหละรูปปั้นขันเวทนาสัญญาสังขารฆ่ากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุตายฆ่าตัวเองด้วยสาสวะโตเป็นอารมณ์เป็นไปเพื่ออาสวะเป็นไปเพื่อกิเลสโดยเพราะโดยแท้มารามิสโตด้วยความเป็นเหยื่อของมารด้วยเหยื่อมารกิเลสมารเหยื่อกลุกิเลสไหมขันเนี่ยเป็นไม่เป็นโอขันตัมานกิเลสมารมจุมานเทพบุตมานสังขารลมารชาติธรรมโตโดยความเป็น สิ่งที่ให้เกิดชราธรมรมโตเป็นสิ่งที่ทำให้แก่พยาธิธรมรมโตเป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บป่วยสโกสกตธรมตรมโตเป็นสิ่งที่ทำให้เศร้าโศกอริเทวโตคือทำเป็นสิ่งที่ทำให้บ่นเพ้อเพราะมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็อปายาสะธรมรมโตเป็นสิ่งที่ทำให้คับแค้นใจสังกิเลสะธรม ร, รมโตโดยความเป็นที่สั่งสมหมักหมมกิเลสก็มาสั่งสมหมักหมมก็หมมนเนี่ยยี่สิบห้าเนี่ย้องขายท่า การห้ามาคูณยี่สิบห้ากลายเป็น120ปร้อยี่ห้พิจารณาแต่ละอย่างละอย่างนันอยแปลกใจเขาพิจรารณานี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนี่ยไม่ไม่ค้นทุกได้ไงใช่ไหมใครควรจะจําได้เขาจําได้เลยนะเขาจําได้ก็ใครควรใครควรจนเห็นทุกขันเป็นอย่างนี้มองทะลุทรวงเ้กิเลธ ท, ทนไหวไหมไม่ไหวหรอกเขาไข่ควรขนาดเนี้ยอันนี้จะโตทุกขโตเนี่ยอันนี้จะโตสิบทุกขโตยี่สิบห้าแล้วก็น่าจะโตอีกชาติ อนาตโตโดยความไม่ใช่ตัวตนประรตโตโดยความไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งอื่นนะริตโตก็โดยความเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนทุตทโตโดยความเป็นของว่างเปล่าไม่มีแก่นสารสุญญตโตโดยความเป็นของว่างจากสัตว์บุคคลทั้งหลายอพิจารณาอยู่อย่างนี้โอ้อภิจารณาไปเรื่อยๆๆๆๆๆในส่นงยิ่มก็ทาลายทําลายได้ จะลืมนะว่าไอ้สันตติเนี่ยมันปิดบังสื่อต่อของนามรูปที่เกิดติดต่อกันอย่างรวดเร็วก็ทําให้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนาะแล้วรูปนามเกิดดับพวกมันเหมือนกับแสงไฟติดอยู่ในโทุ่งุดทุ่พวกมุนมองมันเป็นอันเดียวกันแตรงติดต่อไ ห, หนมันสื่อตับติดต่ออันนี้อันนี้จะลักษณะสันตติเนี่ยมันปิดบังไม่ให้เห็นอียาบทก็ปิดบังทุ่มด้วย ปิดบังทําให้ไม่สามารถจะเห็นเปลี่ยนขยับขยับในทุกปมขนเล็บฟันทั้งหลายเนี่ยไม่นํามาทาทั้งหลายทำมันขยับตัวมันเองเนี่ยมันขยับมันเป็นปิดบังปิดบังปิดบังทําให้เราไม่เห็นความจริงตัวนี้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งหลายเหล่านี้เนีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแท่งทึบที่มันทำให้เราแยกไม่ออกก็เลยเห็นด้วยความเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมเอกมันรวมกันเนี่ยน้ําไฟลมมันรวมกันอยู่อูเป็นแท่งทึบเลยเป็นลูกประสาทฐานนามสัญติเนี่ยมันแท่ง มันเป็นแท่งทึบเลยแม้ในแต่ละขันแต่ละขันเช่นในจักรวิญญาณไปต้นเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ไม่สามารถไปแยกทำลายคณะมันก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นปัญหาชีวิตพอเข้าใจอย่างนี้